อนุสติหลายข้อมีอะไรบ้างหนึง่งก็พุทธานุสติใช่ไหมสองธรรมานุสติสามสังขานุสติสี่ศีลานุสติห้าจารานุสติแล้วก็หกมรณานุสติเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงามแล้วโดยความเกิดความแก่และความตายเป็นต้นเนี่ยตัวนี้ก็พวกสังเวกวัตถุ ก็นับเนื่องในมรณาอุสติพวกนี้เป็นกรรมฐานที่เราทั้งหลายควรเจริญให้ใหเป็นปกติอันเราเ ค, เคยได้ยินนะว่าทำหที่ควรเจริญก็คืออนุสติหก น, นเพราะว่าอนุสติเหล่านี้เป็ น, เ, ปนเครื่องระลึกของกุลบุตรทั้งหลายผู้มีศรัทธ า, าถ้าหากว่าบุคคลใดในสมัยพุทธกาลเป็นผู้มีศรัทธา พระพุทธเจ้าจะสอนอนุสติเหล่านี้ให้แก่เขานนะคือเขาเป็นคนที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยนะเขาควรตามระลึกถึงวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความผ่องใสคือศรัทธานั้นเป็นลักษณะของใจที่ไม่ขุนมัวใจที่ไม่ขุนมัวเนี่ยนะควรท่องเที่ยวไปในอารมณ์อันไม่เป็น อ, อารมณ์อันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความขุนมัวเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายบุคคลตามระลึกถึงใจของเขาก็ไม่ขุนมัว นนเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมจึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วใจไม่ขุนโมเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเป็นเป็นคนดียิ่งกว่าคนดีทั้งหลายเป็นสุดยอดของคนดีทั้งหลายเมื่อท่านเป็นคนดีสมบูรณ์ด้วยความดีทุกประการอย่างนี้บุคคลผู้มีศรัทธาตามระลึกไประลึกไประลึกไประลึกไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งไม่ขุนโวใจยิ่งกลับใสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณความดีทีนี้ในอย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองตามตามระลึกถึงพระธรรมทั้งหลายพระธรรมนั้นเชื่อว่าเป็นอารมณ์ของสติเป็นอารมณ์ของปัญญาถ้ายิ่งใครตามมีสติโครจรระลึกไปในคุณของอริยมรรคตามระลึกนึกถึงคุณของอริยผลตามระลึกนึกถึงคุณของพระนิพพาน ดังที่กล่าวไปเนี่ยใจของเขาก็จะยิ่งท่องใสขึ้นท่องใสขึ้นผ่องใสไม่เหมือนกับตามระลึกถึงมหาพูดใช่ไหมตามระลึกถึงมหาพูดก็ถูกผีหลอกเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจมีไม่ในในอนุสติว่าระลึกถึงตามปัวีตามระลึกถึงปัทวีธาตนะุมีเลือกสวนไร่นาะและที่ดินเป็นต้นเนี่ยระลึกไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยนี่ยิ่งระลึกไอตรงนั้นก็เครียดอันนี้ก็วุ่นวายอันนั้นก็เดือดร้อนเป็นต้นเนี่ย ระลึกถึงบ้านและที่ดินเลือกสวนได้นานนี่ไม่ใช่เลยใช่ไหมเพราะว่าจริงๆพวกนั้นก็เป็นธรรมแต่เป็นปัทวีธาตุเป็น เ, เป็นลักษณะของมหาภูตรูปเป็นต้นเป็นธรรมที่ไม่ควรระลึกถึงเท่าไหร่นะถ้าระลึกถึงก็ระลึกให้เป็นสังเวกวตถูกไปแต่ถ้าเป็นธรรมคุณที่พระองค์ให้ระลึกนั้นระลึกอะไรระลึกถึงอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานานะคุณงามความดีของพระนิพพานเป็นเช่นไรบ้างก็มาตามระลึก ทีนี้เมื่อเราระลึกถึงพระธรรมอย่างนี้ได้ระลึกถึงพระสงฆ์ต่อไปก็ไม่ใช่ว่าจะยากใช่ไหมเพราะพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมนะพระธรรมเป็นเช่นใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามระลึกตามเช่นนั้นเนี่ยละลึกแล้วระลึกเล่าระลึกแล้วระลึกเล่าเนะเพราะว่าโดยเฉพาะว่าพระสงฆ์เนี่ยคือผู้ที่เข้าพระสมาบัติมาก ทันท่านเป็นผู้ที่มีจิตประดิษฐานในพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างจริงๆทีนี้ผู้ที่เป็นพระอริยะสอ์ทั้งหลายท่านก็เป็นผู้ที่มีศีลเดี๋ยนะหรือผู้ที่เป็นอริยะสาวกหรือผู้ที่เจริญอนุสติระลึกถึงศีลของตัวเองที่ตัวเองเคยบำเพ็ญมาเคยรักษา ม, มาหรือตามระลึกถึงทานทั้งหลายที่ตัวเองเคยให้เคยบริจาคแม้กระทั่งระลึกถึงความตายบ่อยๆ อันนี้เป็นกรรมฐานที่เราทั้งหลายควรหมั่น น, นะให้มีอยู่ในจิตควรตั้งเอาไว้ในจิตตามระลึกถึงบ่อยๆแต่ครั้งที่แล้วเราอธิบายพุทธคุณเป็นหลัก น, นะมันนี้มาดูธรรมคุณบ้างในหน้าหกสิบนะแปดธรรมคุณถ้ากล่าวแบบตรงๆก็เหมือนอย่างที่เราหมั่นสาธยายกันเป็นปกติเนืองนิดใช่หมสวาขาโตภควาตาธรรมโมพระธรรมนั้น เป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วสันทิษทีโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ศึกษาได้และปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวควรบอกผู้อื่นว่าท่านมาดูนะท่านจงมาดูเถิดนะโอปะณียิโกเป็นธรรมที่ควร น, น้อมเข้ามาใส่ตัวนะเวทีตับโพวินยูห เป็นธรรมที่อุคติตันยูวิปัญจิตันญูนัยยะบุคคลที่พอจะรู้ได้เฉพาะตนนะอันนี้เป็นคำตรงๆใช่ไหม ย, ย้อนกลับมาที่ว่าสวากขาโตเนี่ยนะพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันนี้เน้นไปที่อะไรก่อนเบื้องต้นก็คงเน้นไปที่พระปริยัติธรรมก่อนพระปริยัติธรรมนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วอ่ะ อันนี้เรามาชื่นชมเรามาสันเสริญกันบ่อยเลยนะว่าพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแต่พอมาถึงสมัยใหม่ก็ปฏิเสธปฏิเสธพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้แล้วนะบางกลุ่มก็ปฏิเสธโดยตรงๆบางคนก็ปฏิเสธแบบอ้อมๆแต่เหมือนกันวัตถุประสงค์เหมือนกันคือปฏิเสธคาสอน ถ้ามาสำนักนี้นะครุณาอย่าเอาปริยัตเข้ามาด้วยอันนี้ก็เป็นลักษณะว่าปฏิเสธสวากขาโตแต่ว่าในสำนักก็สวดสวากขาโตพระควมาีร์ตาทมองแต่ว่าพอเข้ามาจริงๆบอกว่าไม่ต้องสวดสวากขาโตบอกที่นี่ไม่เอาปริยัตเอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียวอันนี้คําพูดเหล่านี้ปฏิเสธนะปฏิเสธปริยัตโดยปฏิเสธคําว่าสวากขาโตโดยพฤติกรรม นะทั้งโดยวจีกรรมด้วยเนี่ยนะทั้งวจีกรรมทั้งพฤติกรรมปฏิเสธสว่าขาโตหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็ปฏิเสธว่าพยัญชนะสแสดงไว้ไม่ดีนะพยัญชนะกล่าวไว้ไม่ดีพยัญชนะเชื่อถือไม่ได้พยัญชนะพึ่งพิงไม่ได้อันนี้ก็เป็นการปฏิเสธสว่าขาโตอีกวิธีหนึง่งเนี่ยนะอันนี้คือปฏิเสธพยัญชนะว่าพระพุทธเจ้าแสดงไม่ดีมันต้องแก้ไขนะมันต้องแก้ไข เขามีโยมคนหนึ่งเขาบอกแหมผมอยากให้พระพุทธเจ้าอยู่ถึงสมัยนี้จริงๆเขาวอกงั้นบอกว่าธรรมะของท่านมันใช้ไม่ได้ในสมัยนี้เขาวอกงั้นนะโอ้โหคนลักษณะนี้ก็มีในโลกเป็นระดับครูบาอาจารย์ด้วยนะพูดออกไปคนก็เชื่อถือแต่ให้รู้ว่าเท่คำของเดียร์ธีนี่ระบาดมากนะแต่เขาเดียร์ธีนะแต่ว่าอยู่ในคราบของพุทธศาสนกชนถ้ากล่าวตามสภาวเข้าเป็นคนนอกเขาเป็นคนนอกศ า, าสนาจริงๆ เพราะเขาปฏิเสธคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถ้าเขาปฏิเสธสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัส ก, ก็เท่ากับเขาปฏิเสธองค์พระพุทธเจ้าด้วยอันนี้นี่พูดตรงๆเลยว่าถ้าเขาปฏิเสธปริยัตเท่ากับเขาปฏิเสธพระพุทธเจ้าเราคงต้องย้อนกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่พระองค์จะดับขันปริณีพานใช่ไหมพระองค์ตรัสว่ายอย่างไร ดูก่อนอนุนธรรมวินัยใดที่เราแสดงไว้ดีแล้วบัญญัติไว้ดีแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดา ข, ของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราเพราะฉะนั้นทุกๆบททุกๆพยัญชนะนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าเพราะตอนนี้เนี่ยพระพุทธเจ้ายังอยู่ในรูปแบบของพระธรรมคือคําที่ผู้ใดพูดออกไปคํานั้นเป็นตัวแทนของคนนั้นใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันถ้าปริยัติถือว่าเป็นตัวแทนของ พระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิเสธปริยัติเราก็เท่ากับปฏิเสธพระพุทธเจ้าโดยโดยพฤติกรรมหรือโดยโดยความรู้สึกนึกคิดถึงโดยนิติกรรมเราจะบอกว่าเราคือพุทธศาสนิกชนก็ตามแต่โดยพฤติกรรมโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นเราไม่ได้ยอมรับพระพุทธเจ้าเลยเพราะเราปฏิเสธพระปริยัติธรรมดังั้นคนที่ปฏิเสธปริยัติธรรมเนี่ยกอมาบอกว่าอย่าไปสวดเลยสวะขาโตพระวตาธรรมโม นะปากก็สวดไปจะเอ่อปากส่วนหนึ่งก็สวดว่าสวภ า, าโตรตรัดไว้ดีแล้วอีกภักหนึ่งบอกใช่ไม่ได้นนะพยัญชนะใช่ไม่ได้เนี่ยนะตรงนั้นก็ใช้ไม่ได้ตรงนี้ก็ใช่ไม่ได้บางพวกก็เอาใหม่เลยขึ้นมาบอกว่าปฏิเสธไปเลยตัดออกไปเลย 40% บอร์เซนาะบางพวกนี้บอกเลยส่วนตรงนั้นเอาออกส่วนตรงนี้เอาออกแหมท่านอย่างวราท่านเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแหละนนะสามารถที่จะกล้าปฏิเสธ คือคนเราเนี่ยนะถ้าเป็นอสสัต์บุรุษก็ถือว่าเลวอยู่แล้วใช่ไหมถ้าปฏิเสธไม่นับถือพระรัตนตรยัยไม่นับถือคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนก็ถือว่าเป็นคนเลวเฉพาะตัวแต่ถ้าเอาความเลวอันนี้ไปแพร่ระบาดแพร่ระบาดให้คนอื่นรู้เนี่ยอันนี้เรียกว่าอสัตว์บุรุษยิ่งกว่าอสสัตว์บูรุษเป็นคนเลวยิ่งกว่าคนเลวทั้งหลายเพราะชั่วด้วยลําพังตัวเองตัวเองไม่มีศรัทธาไม่มีสุตตะในคําสอนก็ยังไม่พอ ยังชักชวนให้คนอื่นเป็นเช่นนั้นอีกแล้วยังชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติเพื่อความเป็นเช่นนั้นอีกเชื่อเลยว่าเขาจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากเนี่ยนะก็ถ้าหากว่าปฏิเสธประตูแห่งพระนิพพานแล้วเท่ากับเปิดประตูอะไรอันนี้โดยธรรมชาติเนี่ยนะเพราะมันประตูบานเดียวเปิดอีกฝั่งจะปิดอีกฝั่งหนึ่งโดยธรรมชาตินะโดยธรรมดานะเพราะประตูบานเดียวใช่ไหมเปิดอีกฝั่งจะปิดอีกฝั่งหนึ่งนั้นก็ การปฏิเสธคําสอนเนี่ยนะก็เท่ากับปฏิเสธพระพุทธเจ้าถ้าเขาปฏิเสธพระพุทธเจ้าองค์นี้พระพุทธเจ้าองค์ใหม่เขาจะรับได้หรือใช่ไหมเขาก็ปฏิเสธอีกตามเดิมเพราะว่าเขาไม่มีศรัทธาในคําสอนบางคนศึกษายังไม่เข้าใจเลยรีบปฏิเสธเสียก่อนไม่รู้ว่าปริยัติธรรมเนี่ยนะบอกว่าโอ้ฉันเนี่ยมีโยมมันก่อนมาเล่าบอกว่าโยมนี่รู้แต่ประมัดเขาว่างั้นไม่ค่อยรู้บัญญัติเท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยชอบบัญญัติเพราะโยมเป็นนักปฏิบัติ บอกเออเอาไปเนี่ยนะเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคือเขาปฏิเสธพระพุทธเจ้าโดยธรรมชาติเขาเขาบอกตัวเขาเองว่าเขาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้ า, นนะ เ, าเนี่ยนะคำพูดหลายคําเนี่ยถ้าวิเคราะห์ให้ดีๆเนี่ยแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่งเนี่ยเข้าใจเลยว่าถ้าเขาไม่เอาปริยัตเท่ากับเขาไม่เอาพระพุทธเจ้าอย่างบอกมีบางกลุ่มเขาวิจารณ์พวกเราว่าเออนี่พวกนี้มันเคร่งครัดในปริยัตพวกนี้แบบปริยัตมาก ก็ขอบคุณเขานะที่เขารู้จักเราว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเออก็ก็กแสดงว่าเขาเออแสดงว่าผมอยากเป็นอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยนะว่าผมเนี่ยอยากจะมีพระรัตนาตรัยเป็นสารณะมานานแล้วก็ขอบคุณนะที่คุณเห็นว่าผมเนี่ยมีพระพระรัตนาตรัยเป็นสารณ ะ, ะเพราะถ้าเราอยู่กับพระรัตนาตรัยอยู่กับคำสอนเท่าใดเราก็เชื่อว่าอยู่กับสารณะเท่านั้นเรามีสารณ ะ, ะแล้วเนี่ยนะ แต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราปฏิเสธปริยัตเราไม่มีสารณะอะไรเลยแต่ตอนนี้ถ้าใครบอกว่าเออแกนี่มากไปด้วยปริยัตนะบอกขอบคุณมากเพรตอนนี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วเพราะอยากเป็นอย่างนี้มานานแล้วเพราะเป็นคนปากคนดงคนดอยคนดิดทาอะไรก็คิดเออเองเออเองอ๋เองไม่มีระเบียบแบบแผนทางความคิดอะไรสักอย่างตอนนี้ความคิดทุกอย่างเป็นไปตามคําสอนแล้วนะถูกคําสอนเนี่ยฝึกหัดขัดเปลาให้กายวาจาใจเป็นไปตามคําสอน ขอบคุณมากที่ที่ชื่นชมะนะถ้าเข้าจะด่าก็ไม่เป็นไรอะนะกต่ด่าว่าคุณเนี่ยมากนับถือพระพุทธเจ้าเกินไปโอ้ไม่เกินหรอกนะี่ยังไม่พอเลยนะี่ยังไม่ถึงโสดาปฏิมักโซดาปฏิผลยังไม่เกินหรอกยังขาดไปตั้งเยอะเนี่ยนะนะบอกนี่เอาแต่ปริยัตก็บอกใช่เพราะปริยัติเป็นตัวบอกชี้บอกโลภุตระถ้าถือปริยัตมากเท่าไหร่มันจะไกลไปจากโลภุตระได้ยังไงเนี่ยนะนะเพราะว่า ท่านแสดงว่าผู้ที่ทรงปริยัตเนี่ยนะไม่พ้นทุกข์ไม่มีหรอกนี้หมายถึงนิสรณนัทธะปริยัตนะไม่ใช่อรักูโทปมาปริยัตอันนถ้าพวกอรักูโทปมาปริยัติเนี่ยพวกนี้เรียนปริยัติเพื่อเพื่ อ, อ, อความโก้โอ้อวดเพื่อยกตนเพื่อข่มผู้อื่นเพื่อลาบสการะเพื่อไม่ต้องการให้ใครมาดูถูกดูหมิน่นดูแคลนตนถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกับจักอสรพิษที่หงังอัตกาถาอรักูโทปมาสูตรบอกว่าเออไปนอนซะเถอะอย่าไปเรียนมันเลย แต่ถ้านะหากว่าผู้ที่ทรงปริยัตเรียนเพื่อจะปฏิบัติตามเรียนเพื่อจะเจริญตามเรียนเพื่อทำความเข้าใจว่านี้พระพุทธเจ้านะเป็นเช่นนี้เราจะได้มีศรัทธา ม, มั่นคงในพระองค์อย่างนี้นี้คำสอนของพระองค์คำสอนของพระองค์นี้ทุกเราจะได้กําหนดรู้คำสอนของพระองค์นี้สมุทัยเราจะได้ละคำสอนของพระองค์นี้คือนิโรธเราก็จะทาให้แจ้ง คำสอนคือศีล น, นี่เราจะต้องเจริญคำสอนคือสมาธิเออนี้เราต้องเจริญคำสอนคือปัญญาเราต้องอบรมต้องเจริญนี้สติปัฏฐานนี้สัมมาปัฏฐานนี้อิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรคมีองค์แปดศรัทธาฮิริโอตตะกุศลธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่เราต้องเจริญต้องปฏิบัติตามอันนั้นถ้าเราทรงจําคําสอนเหล่านี้ไว้ได้เท่าไหร่อันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลาย พ่ออะไรเพ่อสวากขาโตพระวตาธรรมโมพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วในปาสาทิกะสูตรนั้นกล่าวว่าถ้าผู้ที่เป็นศาสดาไม่ใช่สัพพันยูจริงรู้ไม่จริงคําสอนไม่ได้เป็นคําสอนที่ภาษาศาสดาผู้เป็นสัพพันยูแสดงไว้เป็นคําสอนของเดรธีแสดงเอาไว้เนี่ยนะเป็นคําสอนไม่ใช่ก็คำสอนนั้นจะไม่นําออกจากทุกคําสอนนั้นถ้าผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามเขาควรได้รับคำสรรเสริญแต่ถ้าผู้ใดปฏิบัติตามเขาควรได้รับการตำหนิเพราะอะไรเพราะาศาสดาไม่รู้จริงคำสอนนั้นก็ไม่ได้สอนนำออกจากทุกอย่างแท้จริงและขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใดชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นเช่นนั้นตามคำสอนเหล่านั้นก็ประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากแต่ในยะตรงกันข้ามถ้าเป็นคาสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพันธ์อยู่คาสอนที่พระองค์สอนไว้เป็นคําสอนที่นําออกจากทุกอย่างแท้จริงเนี่ยนะังั้นผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามควรได้รับคำำําตําหนิเช่นสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระพิสูจน์ที่ไม่ปฏิบัติตามคําสอนมีใครชมไหมเออศึกมาก็ดีแล้วนนนะเนี่ยนะเขาตําหนิกันทั้งนั้นนะบอกโอยเธอนี่ยเลวมากได้าศาสดาดีขนาดนี้คําสอนดีขนาดนี้เธอยังเวียนกลับมาเพื่อความเป็นคนเลวอีก ก็จะได้รับคำตำหนิใช่ไหยแล้วคนที่ศึกไปส่วนใหญ่ก็บอกผมเนี่ยมีบุญน้อยผมมีวาสนาน้อยจะไม่บอกว่าเราทำเลวนะบอกว่าผมเป็นคนมีบุญน้อยที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้เพราะอะไรเพราะพระาศาสดาเป็นผู้รู้จริงคำสอนก็เป็นคำสอนที่นำออกจากทุกอย่างแท้จริงผู้ที่รู้จริงจะไม่ปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธคาที่พระพุทธเจ้าสอน คำสอนทุกคำสอนบททุกบ ท, บทพยัญชนะทุกอย่างกว่าจะได้มาแสดงกว่าจะได้มาประกาศแบบที่พระพุทธเจ้าแสดงให้เราได้ศึกษาอย่างทุกวันเนี่ยนะเป็นสิ่งที่พระองค์สั่งสมมาสีอสงขขยแสนกลับทุ่มเทด้วยเนื้อด้วยเลือด ด, อ ด, ด้วยชีวิตจิตวิญ ญ, ญาณทุ่มเทด้วยทรัพย์สินทุกอย่างทุ่มเทสารพัดชนิดอย่างตามป้าเนี่ยนะของมาบอกเขามีบางคนก็บอกว่าเลือดของใครบางคนเนี่ยล้างบาปให้ท่านได้ แต่บอกว่าเลือดของพระโพธิสัตว์เนี่ยหลังไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย น, นะบริจาคเลือดเท่าไหร่หนอท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราจะละเลิกแบบนั้นก็ได้ไม่ยากอะไรใช่ไหมว่าพระองค์นี้บริจาคเนื้อบริจาคเลือดบริจาคบุตรบริจาคภริยาบริจาคทรัพย์สินบริจาคสารพัดอย่างเนี่ย น, นะเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอั้นถ้าหากว่าเราละเลิกให้ดีๆเราจะเห็นว่าสวากขาโตเนี่ยคือของพระพุทธเจ้า สมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระสาวกทั้งหลายท่านไม่เคยโมเมเอามาเป็นของตนเลยไม่เหมือนมหาโจรบางพวกเนี่ยมหาโจรบางพวกศึกษาแล้วก็ไปโมเมว่าเป็นของตนเขาเรียกว่าเป็นมหาโจรที่ปล้นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายเหล่านั้นท่านจะพูดเสมอว่านี้คือของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นที่ได้รับมาท่านบอกว่าท่านเป็นพวกธรรมทายาท่านบอกว่าท่านธรรมทายาท่านเป็นผู้รับมรดก ธรรมะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่แท้ธรรมะเหล่านี้ทั้งมวลเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของพระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมสามีธรรมมิสอนอนะธรรมะสามีก็คือผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมธรรมมิสอนก็คือผู้เป็นอะไรอิสวนคือผู้เป็นใหญ่ในธรรมเป็นธรรมราชาเป็นผู้ที่เคารพธรรมเป็นผู้ที่บูชาพระธรรมนั้นพระธรรม ท, ทั้งมวลนั้นถือว่าเป็นของ พระพุทธเจ้าอย่างเก่งและตําแหน่งที่ได้คือพุทธโคสะกับผู้ประกาศธรรมอย่างมากนะผู้ประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโฆศกเท่านั้นเองนะเป็นผู้ถ้าเป็นสมัยใหม่คนอ่านสารพระราชาหรือคนอ่านข่าวเท่านั้นแต่ว่าสมบัติทั้งมวลเหล่านั้นเป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนันะสวากขาโตนั้นชื่อว่าเป็นพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะสวากขาโตพระวะโตสาวะสวากขาโตพระกวโต พระวตาธาทโมเนี่ะนะพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วถ้ากล่าวอีกในหนึ่งนะดีในเบื้องต้นด้วยพระวินัยดีในท่ามกลางด้วยพระสูตรดีในที่สุดด้วยพระพิธรรมถ้ามองแบบปิดกเลยนะเบื้องต้นดีด้วยพระวินัยท่ามกลางดีด้วยพระสูตรที่สุดดีด้วยพระพิธรรมอันนี้แบบพยัญชนะหรือถ้าเป็นข้อความในสูตรเดียว ดีในตอนต้นดีในตอนกลางแล้วก็ดีในที่สุดเนี่ยนะดีในที่สุดแป้งคําสอนทุกสูตรถ้าใครปฏิเสธคําสอนสูตรใดนะก็แสดงว่าปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่ใช่สัพพันธ์อยู่จริงยังพูดไม่ดีนะมันอย่าไปปฏิเสธสูตรใดสูตรหนึ่งเขาล่ะเดี๋ยวเสียคนเลยนะทําไมรู้ไหมเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสสูตรนี้ไม่ดีสิพราะเข์ไม่รู้จริงสิทําไมตรัสอย่างนี้ขึ้นมาดังนั้นก็สังวรข้อนี้ให้มากๆหน่อยนะ ไม่งั้นเดี๋ยวก็คว้าบาปไปความบาปโดยไม่รู้ตัวไปตะอีกไงนะมันแต่ละสูตรแต่ละสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เนี่ยดีทุกสูตรทีนี้พระสูตรเหล่านั้นดีทุกสูตรเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่าเราอาจจะตามไม่ค่อยดีก็เลยบอกแหมวางของไม่ดีแต่ว่าปกติคนเป็นอย่างนี้จริงๆไงถ้าถ้าเดินชนของแตกกระจัดกระจายนะเราจะบอกว่าเราซุ่มซ่ามพูดอย่างนี้บ่อยไหมไม่ใครเอาของมาวางไว้แถวนี้ นั่แหละไปโทษคนอื่นอีกนะถ้าของมันสูงนี่เราจะบอกว่าเรามือสั้นไหมไม่บอกของอันนั้นวางสูงเกินไปเลยเอื้อมไม่ถึงไงนะก็ไปโทษไอ้ของสูงอีกอะไรที่มันอยู่ลึกๆนะี่เราจะไม่บอกมือเราสั้นหน่อยเราบอกของมันอยู่ลึกเกินไปก็จะอีกฝ่ายหนึ่งเสียหมดเลยถ้าสูตรก็เหมือนกันที่เราศึกษาบอกสูตรนั้นเข้าใจยากสูตรนี้ก็แต่เราปัญญาไม่พอไม่รู้นะนักๆเข้าก็มีผู้ที่พยายามให้แก้ไขบอกว่าท่านท่านก็ทําทําไมมันเข้าใจง่ายๆหน่อยสิเพาะงั้น บอกมาถ้าทําได้ผู้าศาสนาไม่เสือมรอกนะนะแล้วถ้าหากว่ามันง่ายอย่างนั้นจริงๆอะ่ะทำไมจะต้องบำเพ็ญมาตั้งสี่อสงไขยแสนกลับเพื่อจะมากล่าวธรรมะเหล่านี้เดีย๋ยวนะเราก็ถือว่าดูหมิ่นพระธรรมจนเกินไปทีนี้หนักๆเข้าเนี่ยเราเป็นผู้จัดแจงสารณะแล้วนะไม่ใช่สารณะเป็นผู้จัดแจงเราใช่ไห ข้าพเจ้าพุทธังทำมังสังคังสารนังค้าฉามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้จัดแจงประโยชน์ของข้าพเจ้าตอนนี้ไม่ได้เราไปจัดแจงสาระเองอย่างที่ที่จยงชาวเหนือเขาว่านะตอนแรกกระตุเจ้าตาดีจูงศรัทธาตาบอดใช่ไหมควาหมายเขาว่าเออเคารพพระสงฆ์องค์ขระเจ้ามากให้พระสงฆ์องค์พระเจ้าเป็นผู้นํากา็แล้วกันเพราะศรัทธาเนี่ยตาบอดไม่รู้พันให้พระจตุเจ้าให้พระสงฆ์องค์พระเจ้าจูงไปตอนหลังบอกเอตุเจ้านี่จูงไปไหนกันแม่เดี๋ยวศรัทธาตาบอดจะตูงจุเ จ, จ, จ้าเอง นะแล้วก็นี่ก็เหมือนกันพอในยุคหลังๆมาก็าเป็นคนที่เริ่มจัดแจงเขารำรรเขาเรียกว่าสัตยธรรมปฏิรูปถ้าเป็นในโลกนี้นะไอการปฏิรูปเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมก า, การเช่นการปฏิรูปการศราึกษาการปฏิรูปอะไรก็ตามระบบราชการอะไรก็ตามสมัยใหม่เขาถือว่าการปฏิรูปเป็นความดีเพราะสิ่งที่วางเอาไวนะ้นั้นอะวางไว้ไม่ดีจริงดีเป็นชั่วงระยะหนึ่งแต่ไม่ดีตลอดการ อันนี้คือจําเป็นต้องปฏิรูปอะไะเช่นเช่นอย่างสมัยหม่ทเรียกว่าปฏิรูปการศึกษาปฏิรูประบบราชการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปอะไรทั้งหลายแหละแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัพพันยูบุคคลเป็นบุคคลที่ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องคําสอนของพระองค์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์ตลอดกาลนะมันไม่จําเป็นอะไรที่ใครทั้งหลายจะต้องไปปฏิรูปไปเปลี่ยนแปลงของพระองค์ ปฏิญาณว่าเป็นสาวกเธอปฏิญาณที่จะศึกษาตามเรียนตามรู้ตามเห็นตามเพราะถ้าเราไปปฏิรูปของท่านเนี่ยเราคิดหรือว่าเราจะบรรลุสิ่งเดียวกับท่านเอาไหมถ้าเราจะบอกว่าเราว่าบรรลุธรรมเหมือนกันแต่ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าไปแล้วแล้วเรารู้ได้อย่างไงว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยเป็นอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้ารู้เป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าสอนเอาอะไรหนาะเป็นเครื่องวัดเพราะสมัยใหม่เนี่ยนะเขาถือว่าเขารู้ธรรมกันไม่ใช่น้อยเลยนะ รู้ธรรมเยอะใช่ธรรมนั้นน่ะคืออะไรหนอเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่หรือเปล่าอันนี้แหละที่สำคัญมากๆที่อยากจะเตือนนั้นสวากขาโตเนี่ยดีไพเราะนะโดยประยัดเนี่ยไม่มีผิดมีเพีย้ยนดีแล้วสมบูรณ์ดีแล้วเทีนี้ต่อไปถ้าดีโดยอัฏถะละ่ะคำสอนที่ท่านสอนนี่สอนดีเบื้องต้นดีด้วยศีลท่ามกลางดีด้วยสมาธิที่สุดดีด้วย ปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเพราะคําสอนใดที่ไม่มีเบื้องต้นคือศีลไม่มีท่ามกลางคือสมาธิไม่มีที่สุดคือปัญญาคําสอนนั้นไม่ใช่สวัสดขาโตสอนไม่ดีเพราะคําสอนที่ดีจะต้องมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นคําสอนที่ไม่ขัดกานทั้งโดยอัตถะและพยัญชนะเพราะคําพูดใดที่มีแต่พยัญชนะถ้าปราศจากอัตถะเขาเรียกว่าคําเพอเจอคําในโลกที่ที่มีแต่ คำพูดว่าไปเรื่อยเนื้อหาไม่มีสาระอะไรเลยทีนี้สาระเพื่ อ, อไงศีลเป็นสาระสมาธิเป็นสาระปัญญาเป็นสาระานะวิมุตติยานัศนะเป็นต้นเป็นสาระถ้าคุณธรรมเหล่านี้หรือธรรมะเหล่านี้ไม่มีอยู่ในคําพูดนั้นๆคําพูดเหล่านั้นเรียกว่าไม่มีสาระเป็นคําพูดที่เพอเจอร์ cher, เนี่ยนะเป็นคําพูดที่ไม่มีประโยชน์เพราะเป็นคําพูดที่ไม่ได้นําออกจาก เป็นคําพูดไม่ได้ที่เป็นไตเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแล้าถามว่าคําพูดที่พูดปรารบศีนทําไมจึงเป็นคําพูดเพื่อความพ้นทุกข์ล่ะพ้นสิเพราะศีเลนะสุขติยันติผู้ที่รักษาศีลดีทําให้ปิดอบายได้ไนะเพราะศีลเน้นนำออกจากวัตถุทุกเช่นอบายถ้ารักษาสมาธิสมาธิเนี่ยดีดียังไงก็นําออกจากกามมาพบได้ก็แล้วกันนะดีอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะคําสอนนี่นําออกจากทุกข์คือกามมาพบถ้าปัญญา ปัญญาเป็นของดีปัญญานี่ดียังไงดีเพราะนําออกจากว 3, ัตฏะในภูมิสามนำออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนําออกจากธรรมชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัตและอุปายาติว่านําออกจากวัตฏทุกข์ปัญญานั้นจึงเป็นความดีคําพูดใดที่ไม่เป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นคําพูดที่ไม่มีสาระเอาเลยเพราะไม่สามารถนําออกจากทุกได้อย่างแท้จริง อาจจะนำออกจากความวิตกกังวลหรือเครียดด้วยการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่ก็สร้างปัญหาอย่างหนึ่งคำพูดใดที่ถือว่ามีสาระมีประโยชน์ไม่ใช่สักว่าทำให้สบายใจอย่างบางคนนะอย่างมงก็มีบางคนเนะี่ยผมนี่ไม่สบายใจเลยผมนี่ทำบาปมาเยอะเนี่ยนะไม่รู้พบใหม่ต่อๆไปมันจะเป็นยังไงอุ้ยอย่าไปคิดอะไรมากฟุ้งซ่านเปล่าๆเนี่ยไปเที่ยวดีกว่าเนี่ยนะคาพูดแบบนี้เหมือนแก้ปัญหา แต่จริงๆคือการสร้างปัญหาอันใหม่ขึ้นสร้างอันใหม่ขึ้นฉะนั้นคำพูดใดก็ตามที่ไม่เป็นตากับศีลสมาธิปัญญาคำพูดใดคำพูดเหล่านั้นเป็นตาเพื่อก่อทุกนายวัตตาดูเหมือนดีแต่ไม่ใช่ดีเพราะระยะยาวเสียหายแน่ฉันสวัสขาโตพระวัตาธ ร, รมโมที่เราชื่นชมเคารพนับถือคําสอนของพระองค์เพราะดีด้วยเป็นตายกับศีลสมาธิและปัญญา ที่นี้อคมำวีเนี่ยองค์ประกอบของศีลมีเท่าไหร่ผู้จะมาผู้จะรักษาศีนนั้นก็ต้องมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธามีสุตตะจึงจะมีสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องศีนนี่มีเยอะเป็นเรื่องของกายวาจาแล ะ, ะ, ะนะกายวาจาแล้วก็ทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายทีนี้ถ้าส่วนของสมาธินี่เริ่มเริ่มอะไร เริ่มมีการสรัมรวมเป็นไปกับทวารใจเนี่ยนะใจทำยังไงใจจึงจะปราศจากอภิชาใจจึงจะปราศจากโทมนัตสังเกตดูข้อความในพระสูตรโดยมากเลยนะเพื่อละอภิชากับโทมนัตนั้นพระสูตรนั้นจึงเป็นสมาธิเนี่ยนะจึงเป็นไปกับสมาธิเพราะสมาธิเนี่ยคือการเจริญในเจริญอานาพิชากับเจริญอัพยาปาทะคิดยังไงจึงจะไม่ให้อภิชาเกิด ยังไงอัพยาปาทะจึงไม่เกิดนั่นเป็นสมาธิเพราะสมาธิไม่ได้แปลว่าหลับนิ่งไปเลยเนะียไม่ใช่นิ่งก็เป็นหลับไปทุกครั้งเลยไม่ใช่ทีนี้ส่วนปัญญาแล้วเป็นยังไงปัญญาปัญญาปัญญารู้อะไรก็รู้อริยศาสตร์รู้อาาัาธารู้อาทีนวะรู้นิสรณะของสรรพสิ่งเนี่ยนะของสรรพสิ่งที่เป็นภายในวัตตาว่าวัตตาทั้งหลายมีอสาธาอย่างไร มีอารีนวะอย่างไรแล้วก็นิสรณะได้อย่างไรอันนั้นเป็นกิจของปัญญาที่เข้าไปวิจัยเนี่ยนะเข้าไปไข้ครวนเข้าไปทบทวนให้รอบรู้ทั้งหมดสรุปว่าคำพูดใดที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักนี้คำพูดนั้นไม่มีสาระเหมือนพูดดีเหมือนเนีก็โอ้โหเสื้ออะไรมาเหมือนทองเลยเนี่ยราคาแพงเท่าทองนะดีไหมไม่ดีนะประดับอะไรมาหนอเหมือนเพชรเลย นะราคาแพงกว่าเพชรอย่างเงี้ยนะเสียหายมากเลยคนนะึงทีนี้ถ้าคําพูดที่เป็นสวากขาโตจริงเนี่ยนะปริยัติก็ไม่มีผิดพลาดดีแล้วปฏิบัติก็เพราะคําพูดประโยชน์ของปริยัติอยู่ที่การปฏิบัตินะประโยชน์ของหลักการอยู่ที่การทําตามใช่ไหมนะประโยชน์ของปริยัติอยู่ที่การปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินั้น่ะเป็นผลของ ปริยัติถ้าไม่มีปริยัติเราจะปฏิบัติได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วทีนี้เมื่อมีการปฏิบัติตามอย่างนี้เนี่ยนะผลจะต้องมีอย่างแน่นอนสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกแปลว่าผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองเนี่ยนะสันทิฏฐิสันทิฏฐะเนี่ยรู้ได้ด้วยตัวเองเ น, นะไม่ใช่ว่าเป็นของที่คนอื่นมาทําแทนกันได้ทําเผื่อกันได้ไม่ใช่ หรือคนอื่นททถ้าทำแทนกันได้จริงๆนะของเราทั้งหลายเชื่อมีคนทำแทนเราแล้วละเพราะมีคนที่หวังดีต่อเราไม่ใช่น้อยอย่างพระพุทธเจ้าหวังดีต่อเราเนี่ยหวังดีจริงๆแต่มันทำเผื่อกันไม่ได้ถ้าเผื่อกันได้นะหลายคนในที่นี้คงทำเผื่อคนอื่นๆด้วยแล้วในตัวในขณะเดียวกันที่มาฟังเนี่ยนะ บางคนอาจจะทำเผื่อพ่อเผื่อแม่ไปแล้วบางคนก็จะทำเผื่อลูกเผื่อล้านทำเผื่อครอบครัวไปแล้วบางคนทำเผื่อญาติทำเผื่อเพื่อนไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันทำแทนกันไม่ได้พะอไรศีลเนี่ยเรารักษาศีลแทนคนอื่นได้ไหมไม่ได้ทำจิตให้สงบแทนคนอื่นได้ไหมไม่ได้มีปัญญาแทนคนอื่นได้ไหมไม่ได้